ดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายสัตว์ที่เสื่อมจากอริยปัญญานั้นชื่อว่าเสื่อมแท้เขาย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความติดขัดมีความกับแขนมีความเดือดร้อนในปัจจุบันสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีทุกขติดเป็นที่หวังได้สัตว์ที่ไม่เสื่อมจากอริยปัญญานั้นชื่อว่าไม่เสื่อมเขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความติดขัดไม่มีความกับแขนไม่มีความเดือดร้อนในปัจจุบันสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีสุขติเป็นที่หวังได้